มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมบ้างแล้วใครมีความรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าชีวิตนี้ปลอดภัยไหมคือถ้าหากว่าศึกษาเรื่องกรรมแล้วทำให้รู้ว่าต้องเกาะยิ่งขึ้นเกาะอะไรเกาะพระรัตนตรยัยครับไว้ทำให้เห็นว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องกรรมหรือไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสาระ เป็นชีวิตที่น่าสงสารมากเพราะว่ากายกรรมแต่ละวันนี่ไม่รู้ไปทําอะไรนักเนาะวจีกรรมแต่ละวันมนโนกรรมแต่ละวันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจที่ที่ประพฤติแสดงออกมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างทีนี้ส่วนใหญ่นี่เป็นไปกับอกุศลซะส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อเป็นไปกับอกุศลนั้นชีวิตเนี่ยหาความปลอดภัยค่อนข้างยากมาก สภาพที่ทางจิตใจเนี่ยที่จะไม่เจ็บป่วยด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยน้อยมากเมื่อบาปอากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆเข้ามันก็สามารถที่จะฉุดคร่าเขาเหล่านั้นไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกได้ในพระวินัยปิฎกมีพระกลุ่มหนึ่งท่านวางข้าของทิ้งไว้เกะกะข้างนอกสมมติว่าที่โล่งที่แจ้งเนี่ยนะเสนของใช้บางอย่างพระเนนนั้นจะวางไว้ไม่ได้ เป็นอัมบัตพระองค์ก็อาศัยเหตุนั้นก็บัญญัติสิกขาบทที่สุดกลุ่มนั้นท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยทําไมจะต้องใส่ใจมากนักอ่ะนะคือท่านไม่เห็นโทษเลยว่าอาการที่เป็นบาปเป็นอกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นโทษเป็นภยัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าอย่าไปดูถูกนะว่าบาปอากุศลเนี่ยเป็นของเล็กของน้อย นะถ้ามันเกิดบ่อยๆมันก็ฉุดคร่าเขาเหล่านั้นให้ไปสู่อบายทุกขติวิญญาณนรกได้ทีนี้ในขณะเดียวกันกุศลจิตก็เหมือนกันอย่าไปดูถูกว่าเล็กน้อยถ้าผู้ใดาสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลจิตให้กุศลจิตเกิดได้บ่อยๆเกิดได้มากๆเขาก็สา ม, มารถที่จะพ่อพูนกุศลจิตนั้นจนเต็มบริบูรณ์ได้หยดน้านี่ก็หยดทีละหยดทีละหยดเท่านั้นเองไม่มีก๊กน้าเสียนะ มันก็มีแต่ใสาใส่มาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกนุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ใดสังวรใจจากบาปได้มากกุศลธรรมที่เขาค่อยๆเจริญพอกพูนถึงจัตทีละเล็กทีละน้อยกุศลธรรมเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อดับกิเลสได้อันชีวิตของผู้ที่ดับกิเลสนั้นแหละจึงจะเป็นชีวิตที่สูงสุดเป็นชีวิตที่เป็นอุดมสุดยอดละ แต่ทีนี้ชีวิตของผู้ที่ยังไม่ดับกิเลสนั้นก็เหมือนกับชีวิตของผู้ที่ยังอยู่ในกระแสน้ำชีวิตของผู้ที่ยังอยู่ในกระแสน้ำนั้นน่ะถ้าไปตามน้ำอย่างเดียวหาความปลอดภัยไม่ได้เพราะว่าข้างหน้าจะเป็นเหวเป็นค้าๆกับเราไปเที่ยวน้าตกอะนะถ้าเราไปเห็นปลาเสมอปลาตัวหนึ่งโอ้ปล่อยไปตามน้ำดีกว่าสบายใจดีเดี๋ยวก็ตกจากเหวเพระว่าตก มาในหน้าผานั้นมากระแทกหินเข้าก็แตกกระจายเป็นหลายสิบส่วนสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยใจโดยเป็นกายวาจาใจที่ขาดที่พึ่งขาดเครื่องยึดเหนี่ยวขาดกรอกขาดที่กำบงังจึงเป็นกายวาจาที่น่าสงสารมากเหมือนกับลูกที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลคอยแนะนำคอยตักเตือนวันวันหนึ่งไม่รู้ว่าไปประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรมากมายนะัก แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีพระธรรมคำําสอนเป็นสาระก็เหมือนกับลูกที่มีพ่อแม่ที่อบอุ่นกายวาจาใจแต่ละวันที่ผ่านไปแต่ละวันที่ผ่านไปก็เป็นกายวาจาใจที่ไม่ไม่ประมาทไม่ไหลไปกับบาปไม่ไหลไปกับอกุศลกรรมอันถ้าหากว่าเรามีสาระมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระมีพระธรรมเป็นสาระและรำลึกอยู่เสมอว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติอย่างไรถ้าหากว่าเรามีสาระมีที่พึ่งมีที่ลํำลึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆมากๆขึ้นชีวิตของเราก็จึงจะเป็นชีวิตที่ที่ปลอดภยัยเป็นชีวิตที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแต่ทําไม่อย่างนั้นเนื้อหาความปลอดภัยไม่ได้กรรมนี้เวลามันให้ผลเนี่ยนะน้ําตาร่วงเลยแหละ อาหารก็ทานไม่ลงนะถ้ากรรมมันให้ผลอาหารเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปนัมันจะอาเจียนออกมาคืนถ้าอกุศลมันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยก็บอกว่าถ้าอกุศลมันให้ผลนะสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นที่รักก็จะหนายไปสิ่งที่มีอยู่ก็จะร้อยรอลงไปมันก็จะมีแต่ลดต่ำไปเรื่อยๆๆๆๆนะเหมือนกับฟองสบู่ถึงมันถึงที่สุดแล้วมันก็แตกยุบยุยุบยุบลงไป อันอกุศลเนี่ยอย่าไปปล่อยให้มันเกิดมากมายนะอันถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่จะเจริญกุศลได้บ่อยๆทีนี้ทํำยังไงจะเจริญกุศลได้บ่อยๆกุศลเนี่ยควรเจริญบ่อยๆเจริญมากๆเคยได้ยินนะอนุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยก็คือทําบ่อยๆนั่นเองตามเห็นบ่อยๆกุศลเนี่ยควรพอกคูณบ่อยๆเรียกว่าภาวนาทีนี้เราปล่อยกายปล่อยวาจาของเราให้เป็นไปกับพระธรรมส่วนไหนดี ถามว่าเราควรจะเจริญกุศลธรรมประเภทไหนพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกธรรมขันธ์สัตว์ปฏิบัติตามแล้วบรรลุมรรคผลได้หมดเลยเพราะฉะนั้นขอให้เรามีพระธรรมเป็นเป็นสารณะแทะให้อย่าง น, าน้อยที่สุดได้สักสูตรหนึ่งก็ยังดีมาเป็นอุทาหรณ์เครื่องสอนใจแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอาจจะได้คาว่าโอ้ผู้ที่ประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะได้ไปคาหนึ่งก็ยังดี จะได้ไม่ประมาทพระธรรมบทนี้ก็ใส่ใจให้มากมากอย่างไรเชื่อว่าประมาทอย่างไรเชื่อว่าไม่ประมาทอันธรรมสัญญานั้นคนที่มีธรรมสัญญาคนนั้นถึงไตรสารณคมแล้วคนที่ทรงจําพระธรรมได้แล้วตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมนั้นๆนเน่ยคนนั้นเนะชื่อว่ามีสาระและ้วแต่ถ้าหากว่าทรงจําบทธรรมไม่ได้แม้แต่บทเดียวแล้วจะไปปฏิบัติตามอะไร นึกอะไรไม่ออกสัก อ, อย่างเลยจะปฏิบัติยังไงเหมือนกับคนหลงพิษใช่ไหมเอ๊จะเดินไปไหนดีเนี่ยอันชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันเลยอย่างน้อยน้อยที่สุดให้มีพระธรรมเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวสักบทหนึ่งก็ยังดีอันพระองค์จึงสอนให้ภาษาบกทั้งหลายเนี่ยเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญสีลานุสติเจริญจาขานุสติเป็นต้นอันคําสอนเหล่านี้ที่ผู้ใดเข้าถึงทรงจำไม่ได้ก็ เจริญพอกพูนมากๆขึ้นคนเหล่านั้นแหละเป็นคนที่ไม่กัทภาและวไม่กัทภาทางจิตใจแต่ถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องการมปั๊บนะจิตใจเราโอ้โหเบาว่องเว ง, วงแต่แสดงว่าอเรากรัมภาอยู่นะยังไม่ออบอุ่นทางใจเลย<ม>อันอะไรที่ที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นไปให้จิตใจอบอุ่นกุศลธรรมเบื้องต้นเลยก็คือการถึงไตรสรนคมบุญกิริยาวัตถุมีสิบประการ การถึงไตรสารณคมหรือตามลำเลึกนึกถึงพระัตนไตรยัยถ้าหากว่าผู้ที่ยอมรับเป็นกุศ ล, ลธรรมประเภทที่ถูชุกรรมทําความเห็นให้ตรงกับสารณะผู้ที่นับถือหรือถึงไตสรสารนคมเป็นกุศลประเภทที่ถูชุกรรมในข้อสุดท้ายผู้ที่มีที่ถูชุกกรรมอย่างนั้นตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ่อยๆผู้นั้นเจริญอนุสตินะ ตามระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพุทานุสติตามระลึกนึกถึงพระธรรมคําสอนก็เป็นธรรมานุสติตามระลึกนึกถึงความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของสาวกของพระผู้มีพระภาคก็เป็นสังขานุสตินะระลึกถึงศีลศีลกุศลที่บําเพ็ญกันโดยจตุปริสุทธิศีลเป็นต้นก็เป็นศีลานุสติระลึกถึงการให้การบริจาค ก, การเสียสละไปพวกนี้ก็เป็น จากานุสติให้มันได้เนิกให้ให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับเรื่องราวเหล่านี้จิตใจขณะนั้นก็ไม่เป็นไปกับบาปกับอกุศลกุศลจิตจะเกิดหรือไม่เกิดปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คืออันดับแรกนะเหตุปัจจัยสําคัญที่สุดอันดับสองอารมณะปัจจัยใจของเราเนี่ยจะนึกให้ยิ้มเลยก็ได้ถามว่าจะทําให้ยิ้มเนี่ยทํำยังไง หาอารมณ์ที่เราชอบใจที่สุดมาคิดเดี๋ยวพักเดียวยิ้มละถ้าอยากร้องไห้นะนึกถึงเรื่องอะไรที่สะเทือนใจที่สุดพักเดียวเดี๋ยวร้องไห้เขาเล่าว่าอ่าพวกนั่งเอกหนังอนะถ้าไม่ร้องไห้เนี่ยทํำยังไงเขาก็จะให้แม่มาเล่าให้ฟังก่อนว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยแม่มีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพวกนักแสดงนะจะเข้าบทโศกเข้าก็ต้องมาฟังนะน้ําตาก็เสริมแล้วจะเข้าฉากได้ яр. สมจริงสมจังหน่อยประมาณั้นเั้นเรื่องที่สะเทือนใจนั้นอะ ก่อให้เกิดโทมนัตเรื่องที่ที่ปรารถนาที่ที่เราสดชื่นใจที่สุดนะนึกถึงบ่อยๆก็จะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสอันอิทธิพลของอารมณ์เนี่ยมีมากต่อเวทนาถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เป็นสุขเวทนาถ้าอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนาถ้าอารมณ์ธรรมดาก็เฉยๆในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยอารมณ์บางอย่างก่อให้เกิดกุศลอย่ง่าย อารมณ์เหล่านั้ น, น, นก็คือเช่นพุทธานุสตินะเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นหรือเรื่องของสติปัฏฐานนะเรื่องพระธรรมคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลมากต่อกุศลจิตกุศลจิตจะเกิดขึ้นง่ายถ้าผู้ใดตรึกถึงสิ่งเหล่านี้มากๆกกุศลจิตคนนั้นจะเกิดง่ายแต่ถ้าหากว่าผู้ใดห่างจากธรรมะเหล่านี้ผู้นั้นก็จะอกุศลจิตจะเกิดบ่อย ทีนี้นี่คือเหตุภายในพะผู้ที่ตรึกอย่างนี้บ่อยๆผู้นั้นชื่อว่ามีโยนิสโสมนัสิการะการตรึกถึงพระธรรมหมดใดหมวดหนึ่งในขณะนั้น น, นแล้วกุศลจิตเกิดขณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีโยนิสโสมนัสิการเป็นผู้ที่ฉลาดคิดไม่ปล่อยให้ความคิดไหลไปกับบาปอากุศลแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามก็เป็นอโยนิสโสมนัสิการะ่ะนี่คือปัจจัยภายในที่สําคัญคือในยุคนี้เราถามหากัลยาณมิตรเนี่ยค่อนข้างยาก ที่ว่ายากเนี่ยเพราะพ่ อ, อะไรเพราะว่าองค์คุณของกัลยาณมิตรก็มีอยู่องค์คุณของกัลยาณมิตรก็คือผู้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีขันติมีหิรโอตปะมีปัญญามีคุณงามความดีพิเศษอย่างอื่นอีกมากมายทีนี้เราไปถามหาคนเหล่านั้นได้ที่ไหนเราไม่มีบุญพอที่จะไปเกิดในยุค ก, กัลยาณมิตรดีๆจริงๆขอมาอย่างนีง้ก่อน พวกเราเนี่ยสนใจมีศรัทธาในคําสอนกันเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา ม, มากถ้าหากว่าได้กระยาณนมิตดีๆจริงๆนะอย่างเช่นอภาษา voke สมัยก่อนๆมาแมนะนําสั่งสอนเนี่ยตอนนี้เราคงได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยเรียกว่าภาชนะเนี่ยดีแล้วถ้าได้อาหารแจ๋วๆมาใส่เนี่ยคงจะคงจะดีมากเลยนะอันถ้าหากว่าผู้ที่มีบุญเนี่ยเกิดในยุคที่ที่เขามีบุญมากเนี่ยถึงจิตเราเศ้ามองแค่เห็นหน้าท่านปับ๊บผองสายแล้ว่อาอย่างพระเวสสันดรเนี่ยท่านออกบวชเนี่ย ท่านเจริญเมตตามากในรัศมีหนึ่งโยชน์เนี่ยนะไม่มีสัตว์มีศัตรูกันเลยสัตว์จะไม่เข้นฆ่ากันในบริเวณที่พระเวสสันดร อ, อยู่อนาบริเวณสิบหกกิโลมตรด้วยเมตตาของท่านหรือพระอัสสกเทระเนี่ยพระพระในประเทศศรีลังกาบางองค์เนี่ยนะแค่คนเดินผ่านวัดท่านเนี่ยเย็นแลเ้เคียดเครียดไปเนี่ยเดินเฉียดวัดท่านนี่ก็มีความสุขแล้วอันคนที่มีเมตตาจริงๆนะเราแค่เห็นหน้าท่านเราจะมีความสุขมาก แล้เข้าเป็นกัลยาณมิตรอย่างสมมติเอาบางคนเนี่ยตนีทีเนี้ยมัจฉริยะเกิดขึ้นมากเลยนะเห็นบางท่านเท่านั้นคิดจะให้เลยอ่าอย่างเช่นในในสมัยพุทธกาลเนี่ยโยมส่วนหนึ่งอะนะที่ที่มีผ้ากัมพลเนี่ยผ้ากัมพลก็คือคผ้าขนสักร์ทีนี้โหตนีกันะนะเขาบอกมีสั ม, มเณีองค์หนึ่งมานะเหมือนกับมาตามล่าผ้าอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านเก็บผ้าของท่านไว้ให้ดีก่อนแล้วกันสัมมณีนเนี่ยเดินไปเนี่ยคนมองเห็นปั๊บโอ้ใครก็อยากถวายท่าน่ะ อันเจ็ดขวบเนี่ยนะท่านเดินผ่านตลาดครั้งเดียวแค่นั้นอ่ะผ่ากัมพลเนี่ยได้เป็นหลายร้อยผืนเลยอ่ะเพราะนั้นท่านเห็นแล้วโอ้โหคนเนี่ยคิดจะให้บางคนเนี่ยเห็นแล้วอยากฟังธรรมบางคนก็อยากเจริญศ ร, รัทธาศีลสุตะจาระฆะปัญญากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นง่ายนั่นเป็นยุคที่มีกาลยานามิตรยุคที่มีกาลยานามิตรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะถามหาความเป็นกาลยานามิตรจากผู้อื่นหาง่ายไหม ทีนี้เราต้องคิดว่าเอ๊ะเราทํายังไงจะเป็นกาลยานามิตรให้แก่คนอื่นได้อันแสดงว่าเราต้องมีคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมเราจึงจะเป็นกาลยานามิตรให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าหากว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เป็นมิตรที่ดีกับเราลองพูดดีๆกับคนอื่นนะเดี๋ยวคนอื่นจะคุยดีกับเราถ้าลองด่าคนอื่นดูดิเดี๋ยวพอสวนมาแน่ฉันอในความเป็นมิตรนั้นมีความสําคัญมากปัจจัยภายนอกที่จะทําให้ ให้เจริญกุศลธรรมจนถึงกับมรรคกุศลเกิดขึ้นได้ก็คือกัลยาณนนมิตรเหตุภายในก็คือโยนิโสมนัสิการะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาพแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดทีนี้ในยุคนี้เนี่ยเราไปถามหากัลยาณมิตรเนี่ยมันคงยากแล้วละ่ะทีนี้ทํายังไงปัจจัยที่จะให้โยนิโสมนัสิการเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยบ่อยอผู้ที่จะมีเหตุปัจจัยให้โยนิโสมนัสิการเกิดบ่อยบเบือเ้องต้นเลยก็คือมี จิตใจที่เป็นไปกับคําสอนหมวดใดหมดหนึ่งให้มันมีอย่างน้อยๆติดไม้ติดมือสักสูตรเถอะนะบอคุณนับถือพระพุทธเจ้าคุณศรัทธาคําสอนส่วนไหนที่สุดถ้ามีคนถามอย่างเนี้ยนะลองเล่าให้ฟังหน่อยทําไมคุณจึงศรัทธาในคําสอนสูตรนั้นๆเลยนะถ้าเรามีเพื่อนชาวต่างชาติเขาถามในเรื่องนี้มาเราสามารถพัฒนาได้อย่างมีความสุขใช่หไหม หรือว่าแหมทำไมมาถามเรื่องนี้คุยเรื่องอื่นได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราต้องสา ม, มารถที่จะเล่าได้ในส่วนที่เราศึกษาและปฏิบัติตามแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีบุญมากก็ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆใช่ไหมถ้าหากว่าเราขาดกุศลธรรมเหล่านี้เขาเรียกว่าคนอนาถาคนขัดสนเพราะไม่มีทรั์คือศรัทธาไม่มีศรัทธาในคาสอน เนี่ยในความขัดสนข้อที่หนึ่งมีบางครั้งนะเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วไปไปแสดงธรรมที่หนึ่งนะโอ้มจะได้เวลาแสดงธรรมแล้วไอเรานี่ยังนึกเรื่องพูดไม่ได้เลยอดี๋ยวเขาก็มากันขนาดเนี้ประมาณเท่า น, นี้แหละจะพูดเรื่องอะไรวะมันนี้่จะเอาพระไตรปิฎกไปอ่านให้เขาฟังเขาก็ฟังมาคอยเข้าใจทีนี้เอจะคุยเรื่องอะไรนาะมันคิดยังไงรู้ไหม บอกโอ้เนี่ยคนอานาถาเป็นอย่างนี้เอง ười, คือคือคนไร้ทรัพย์อ่ะนะคล่าๆกับว่าเราเนี่ยเป็นคนจนอ่ะนะ <c ười> มีคนมาขออะไรเราสักอย่างหนึ่งเราไม่มีจะให้เขา <c ười> โอ้โหคนยากคนจนอานาถานี่มันเป็นอย่างนี้เองนะโอ้พอมันคิดมาปุ๊บโอ้เราเนี่ยมันจนขนาดนี้เลยเหรอทีนี้โอ้ค่อยค่อยนึกถ้าทำคําสอนนะค <c ười> ่อยค่อยนึกนึกนึกเราจะได้ได้สักสูตรสองสูตรจะได้เรื่องพูดแล้ววันนี้ <c ười> ไม่งั้นนึกาถ้าทำไม่ได้สักสูตรเลย ทีนี้ก็สายใจโอ้คนทุกคนยากคนยากคนจนคนอนาถาทางจิตใจเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเริ่มเห็นแล้วทีนี้เออคนอื่นๆเขาก็ลักษณะเดียวกันทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้คนอื่นเขากุศ ล, ลจิตเกิดได้และขอมาไม่ได้หวังมากนะเวลาแสดงธรรมเนี่ยไม่หวังว่าโอ้โหเขาจะต้องไปปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเขาไม่คิดขนาดนั้นแร้วคิดว่าเออนั่งคุยกันเนี่ยกุศ ล, ลจิตเขาเกิดเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะ ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือคุยแล้วเขากุศลยังไม่เกิดเลยเนี่ยที่จะแย่เลยใช่ไหมเขาเนื้อรำคาญไอ้ท่านมาพูดอะไรของท่านเนี่ยแต่อย่างนี้ยุ่งละแสดงว่าเราบุญน้อยไปหน่อยถ้าหากว่าพูดแล้วคนอื่นกุศลจิตยังไม่เกิดนะแสดงว่าขอโทษนะเดี๋ยวไปทําบุญก่อนนะเดี๋ยวไปศึกษาคําสอนให้มันเข้าใจเยอะๆก่อนไปปรับคุณภาพจิตสุขภาพจิตให้มันดีๆอนนี้เราจะได้แนะนําให้คนอื่นเขากุศลจิตเกิดได้ง่ายเราะนั้นเราจะไปโทษคนอื่นเขา ว่าเราเนี่ยบุญน้อยแต่ถ้าพระพผู้เจ้าใช่ไหมพระองค์เวลาจะแสดงธรรมปั๊บเจริญเมตตาปั๊บสัตว์ทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นมีความสุขกายสบายใจโอ้อยากฟังพระ อ, องค์พูดมังง้งนะแต่ทีนี้ของเราบุญไม่มากขนาดนั้นก็แสดงว่าอย่างยากจนอยู่ทีนี้ถ้ารู้ว่าจนได้ทาไงนอนอยอ่อนวอนเนอะนะทําไมเราจึงเกิดมาเป็นคนทุกคนยากคนยากคนจนทําไมคนเขาไม่เห็นใจทําไมคนเขาไม่สงสารเรา ร้องเรียกหาให้แต่คนอื่นมาเห็นใจเราถ้าหากว่ามีคนถามแบบนี้ว่าเออแล้วคุณเคยเห็นใจใครบ้างไหมถ้ามีคนมาถามแบบนี้เราจะว่ายังไงในขณะเดียวกันเราอยากให้คนอื่นเขาทําดีกับเราเราทําดีกับคนอื่นขนาดไหนเราอยากให้คนอื่นเขาเขามีจิตที่เป็นกุศลกับเราเอแล้วเราเนี่ยมีจิตที่เป็นกุศลกับคนอื่นขนาดไหนแตนถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเจริญกุศลจิตกับคนอื่นได้นะอย่าร้องเรียกหา ความดีจากคนอื่นเลยคนอื่นเขาก็ปางอะไรจากเราบ้างเขาก็หิวเหมือนเรานั่นแหละเขาก็คิดเหมือนเรานั่นแหละถ้าหากว่าศึกษาเรื่องกรรมมากๆขึ้นนะจะทำให้รู้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนขัดสนไหมอันซัคือศรัทธาเกิดบ่อยไหมรั์คือศีลเกิดขึ้นมากไหมฮิริโอตตะเกิดบ่อยไหม ถ้าเฮรีโอต ป, ปะเกิดครั้งเดียวก็เหมือนกับทำงานได้วันละบาทอย่างเงี้ยพอไหมโอ้จะไปอยู่กินยังไงเนาะสมมุติว่าิ24ชั่วโมงใช่ไหม10วินาทีเีรีโอต ป, ปะเกิดชั่ว10วินาทีไอ้ที่เหลือ23ชั่วโมง59นาทีเนี่ยอกุศลดังนั้นเลย โอแล้วเมื่อไหรเนอะไอไอกุศลจิตเฮเรโอต ป, ปะเนี่ยจึงจยางมากมายพอกพูนนะใช้นี่ก็ไม่หมดแล้วอยอะเขาเรียกว่าอากุศลเนี่ยมันมาตัดร้อนออกไปเนี่ยก็หมดแล้วทั้นถ้าหากว่ากุศลศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาเฮเรโอตปะกุศลจิตเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดนะขอให้รู้เธอว่านี่คือคนขัดสนในในสังสารวัตผู้อยู่ในสังสารวัตแบบคนทุกคนยากคนยากค น, กคนจนคนอนาถา ทีนี้ถ้าหากว่าเราขัดสนกุศ ล, ลจิตแบบนี้แล้วนะซับภายนอกอย่าไปถามหาเลยเพราะอัพยากตะธรรมทั้งหลายที่ดีๆเป็นของคนมีบุญเขารูปสวยๆเป็นของคนมีบุญเสียงเพราะๆเป็นของคนมีบุญกลิ่นหอมๆก็เป็นของคนมีบุญรสอร่อยๆก็เป็นของคนมีบุญโพธิภาพที่ดีๆก็เป็นของคนมีบุญสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นต้นก็เป็นของคนมีบุญ ทีนี้บุญเหล่านี้ถ้าไม่เกิดแล้วแล้วจะไปร้องเรียกหาได้ยังไงนี่เป็นเป็นเหตุและเป็นผลต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเข้าใจเรื่องนี้จนจนเบื่อกรร ม, มสกตาต้องมั่นคงค่อนข้างมากแล้วเห็นความไม่เป็นสาระของกุศลและอกุศลถึงกุศลก็ตัวกุศลเองเที่ยงไหมแล้วผลของกุศลเนี่ยเที่ยงไห พวกเรานี้เป็นผลของกุศลหรืออกุศลที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นผลของกุศลนะสุขติภูมิเป็นผลของกุศลผลของกุศลเนี่ยนะก็คือเหมือนพวกเราเนี่ยชรามไหมป่วยไหมเคยร้องไห้ไหมแม่แหลเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มากมายมหาศาลหันเขาจึงเจริญกุศลเพื่อยกตนให้พ้นจากวตัตถะหันผู้ที่เจริญกุศลธรรมประเภทอริยสัตว์นั้นจึงเป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อออกจาก วัตตาออกจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอริยปัตตมันจะรู้ไม่ได้แน่นอนถ้ากุศลจิตมันเกิดกับพ้องกระแพ่งเต็มทีถ้ากุศลจิตเราเกิดมีกําลังอ่อนนะเราไม่สามารถที่จะตรึกพระธรรมคาสอนได้อย่างละเอียดละอเนี่ยนะเรื่องการแทงตลอดอริยปัตตเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าอาวิชชาเนี่ยมันกองใหญ่เหลือเกินอวิชชาเนี่ยมันกองใหญ่มากมาย ม, ายมหาศาล ปัญญาเกิดนิดเดียวนะความมืดเนี่ยประกอบไปด้วยองค์สี่เคยได้ยินนะความมืดประกอบไปด้วยองค์สี่คือหนึ่งในป่าทึบสองในคืนข้างดับสามเมฆฝนใกล้จะตกเวลาเที่ยงคืนองค์ประกอบนี้ถือว่าสุดยอดความมืดเลยป่าทึบด้วยคืนข้างแรมเที่ยงคืนโอ้จะมืดขนาดไหนนะต้องใช้แสงขนาดไหนจึงจะมองเห็น ต้องใช้แสงมากมายนะแถววับเนี่ยโอโ้ยถ้าหากว่าพระอารหันตุขาวิปัสสกนะปัญญาแสงสว่างของท่านเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับแสงหิ่งห้อยในบรรดาความมืดทั้งหมดนั้นนะพระอารหันตุขาวิปัสสกเหมือนแสงหิ่งห้อยถ้าปุถุชนเนี่ยบอดสนิทเลยจะเริ่มประพิมพ์ประพายมั่ง ก็ขณะที่นึกถึงเรื่องอริยสัจเป็นต้นถ้าไม่นึกแล้วก็มืดอีกหลับสนิทอีกยิ่งคนหลับอีกเพราะั้นสัตว์ทั้งหลายจริงๆเนี่ยพอมันมืดขนาดนั้นปั๊บเนี่ยนะบางครั้งก็เดินถูกทางบางครั้งก็เดินผิดทางเพราะฉะนั้นในความมืดอันนั้นเนี่ยบางครั้งคนก็เดินถูกทางบางครั้งก็คิดทำดีได้บางครั้งก็เดินผิดทางก็คือทำชั่ว เดินถูกทางก็สบายไปพักหนึ่งเดินผิดทางก็ทุกข์อีกแล้วแต่ก็ความมืดนั้นหายไปไหมไม่หายถึงเดินถูกทางความมืดก็ยังไม่หายฉันนายก็ดีถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเขาสามารถเจริญกุศลได้แต่ถ้าหากว่ากุศลที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นไปเพื่อแสงสว่างเป็นกุศลที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเพราะฉะนั้นก็ก็มืดอีกต่อไปพอใจไหมที่จะเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าเดินไปอย่างนั้นเนี่ยใครหน้าต้องตาเนี่ยตดวันนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของพระองค์ุลิมาลซึ่งจะได้สัมพันธ์กับเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมว่าพระองค์ุลิมาลเนี่ยนะท่านฆ่าคนเยอะแต่ท่านก็พ้นได้คือประวัติเรื่องราวของพระองค์คุลิมาลเนี่ยจากอัตถาอังคุลิมาลสูตรนะมัชชิมะนิกายมัชชิมปัญ น, นาตกล่าวว่า พระองคุริมาในได้ถือปฏิสนธิในคันแห่งนางพรามณีชื่อว่ามันตานีแห่งปุโรหิตของพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกสนเนี่ยมีปุโรหิตใช่ไหมปุโรหิตก็คือตาแหน่งที่ปรึกษาของพระราชานั่นเองนางพรามณีนั้นได้คลอดบุตรออกในเวลากลางคืนในเวลาที่อังคุลิมาณนั้นคลอดจากคันของมารดาอาวุธทั้งหลายในพระนครทั้งสิ้น ช่วงโชตขึ้นแม้พระแสงที่เป็นมงคลของพระราชาแม้กระทั่งฝักดาบซึ่งอยู่ในห้องบรรทมอันเป็นสิริก็รุ่งเรืองเขาบอกว่าดาบเนี่ยนะเปล่งแสงออกมาเลยพวกอาวุธทั้งหลายแหล่นี่ก็ออกแสงหมดรามนั้นจึงลุกขึ้นออกมาดูแงนดูดวาวเริกนักสัตร์ดูที่มันเริกอะไรดูดาวเลยเขาบอกว่าเหลียวไปบนท้องฟ้าปั๊บมองเห็นว่าบุตรเนี่ยเกิดในดาวเลิกดาวโจน ลกนะเกิดในเลือดดาวโจรว่างั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาถวายบางคมเนี่ยถามถึงบรรทมอันเป็นสุขศพนะก็คือเช้ามาก็รีบเข้าไปเฝ้าพระราชาเลยพระราชาตรัสว่าท่านอาจารย์เราเนี่ยจะนอนเป็นสุขอยู่ได้แต่ไหนอาวุธที่เป็นมงคลของเราเนี่ยส่องแสงรุ่งเรืองเห็นจะมีอันตรายแก่รัฐหรือแก่ชีวิตไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่ชีวิตของเราจะไปยังไงก็ไม่รู้นี่ทําไมไม่รู้ พวกดาพวกอาวุธเนี่ยมันออกแสงวุบวับไปหมดแล้วปุโรหิตก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าอย่าทรงกลัวเลยกุมารนี้เกิดแล้วในเรือนของหม่อมชันอาวุธทั้งหลายมิใช่จะรุ่งเรืองด้วยอนุภาพของกุมาร น, นั้นทีนี้พระเจ้าโกศลก็เลยถามว่าเพราะเหตุอะไรท่านอาจารย์ปุโรหิตก็บอกว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเขาจะเป็นโจร ทีนี้พระราชาก็สงสัยเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่าเป็นโจนปรปะทุสรายราชสมบัติเป็นโจรกระจอกหรือว่าเป็นโจรชิงราชบัลลังก์เหมือนกันเขาจะเป็นโจรธรรมดาคนเดียวเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะปุโรหิตเนี่ยคั้นทูลอย่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะเอาใจพระราชาจึงทูลว่าจงข่ามันเสียเถอะพระเจ้าค่ะเหมงอนกันเดี๋ยวบ้านเมืองจะได้ไม่เดือดร้อนต่อๆไปข่ามันทิ้งก็ไม่เป็นไรหรอกเหมือนกันเพาะลูกของหม่อมชันเองอะนะพระราชาก็บอก โ, อโจรธรรมดาคนเดียวมันจะทําอะไรได้ ก็เหมือนรวงข้าวสาลีอ่ะนะรวงเดียวในนาข้าวตั้งพันเกรีก็คื อ, อนาเนี่ยเป็นพันพันไร่อ่ะมีข้าวเสียอยู่รวงเดียวอ่ะเนยะไม่เป็นได้แล้ปลอยมันไปนเถอะว่าไงบำรุงเลี้ยงดูเขาไวด้ดีทีนี้เมื่อจะตั้งชื่อกุมารเหล่านั้นก็อาศัยนิมิตนะก็คือสิ่งของเหล่านี้ก็คือฝักดาบอันเป็นมงคลที่วางไว้ณนะที่นอน ลูกสอนวางไว้ที่มุมมีดน้อยสำหรับตัดขั่วตาลซึ่งวางไว้ในปวยไฟายตางก็โลรงคือมีส่องแสงแต่ก็ไม่เบียดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ก็ออกแสงสว่างเฉยเฉยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าอาหิงสกะใช่ไหมไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันทีนี้พอเวลาเจริญเติบโตจะให้เรียนศิลปะก็เลยส่งไปยังสานักเมืองตักะศิลาอาหิงสกะกุมานั้น เป็นธรรมมันเตวาสิ์เริ่มเรียนศิละปะและ้วก็คือพ่อเนี่ยไม่จ่ายค่าเล่าเรียนให้แต่ให้ไปสมัครเรียนโดยธรรมหมายว่าเข้าไปรับใช้อาจารย์ทุกอย่างเพื่อที่จะเรียนเอาวิชาก็คือลูกศิษย์สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งนั้นเป็นลูกศรริษย์ที่ครับเรียกลูกศิษย์ที่เสียสตังเรียนอ่นะกับลูกศิษย์ที่เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดปรนิบัติทุกอย่างแล้วเรียนวิชา ทีนี้ อ, าอาหิงสกาอนี้ก็เป็นธรรมมันเตวาสิกก็เรียนศิลปะทีนี้เป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยวัดความประพฤติเนี่ยนะอาจารย์บอกยังไงเนี่ยเรียบร้อยหมดตั้งใจคอยรับใช้ประพฤติเป็นที่พอใจพูดจาไพเราะทีนี้อันเตวาสิกที่เหลือก็เป็นอันเตวาสิกภายนอกคล้ายว่าคนเนี้ยเนี่ยไปเป็นคนสนิทของอาจารย์เป็นอย่างนี้เลยลูกศิษย์ที่เหลือก็เกิดรฤษยาเลยใช่ไหม มันได้ดีอยู่คนเดียวไอ้พวกเราทําไมมันน้เหลือเกินก็เลยปรึกษากันว่าตั้งแต่เวลาที่อหิงษกะมานบมาพวกเราไม่ปรากฏเลยเราจะทําลายเขาได้อย่างไรหาเรื่องแล้วจะหาเรื่องมันดียังไงนาะถ้าหากว่าเราจะพูดว่ามันเป็นคนโง่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ามีปัญญายิ่งกว่าทุกคนมันฉลาดกว่าเราทั้งหมดอีกเอจะว่าไม่มีวัดมีความประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเอเขาประพฤติดีทุกอย่าง ในจะว่ามีชาติตระกูลต่ำก็พูดไม่ได้เพราะเขาสมบูรณ์ด้วยชาติเป็นลูกพราหมณ์ถึงออกเป็นพราหมณ์ูโรหิตของพระราชาด้วยเอพวกเราจะทำํำยังไงกันดีเคยคิดไหมเอวางแฝนจะทําลายคนสักคนเนี่ยจะทํำยังไงดีขณะนั้นก็มีที่ปรึกษาขณะที่พูดคุยก็มีคนความคิดหัวแหลมขึ้นมาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะทําช่องของอาจารย์แล้วทาลายเขาเสียนะคือทําให้แตกราวกันกับอาจารย์ซะก่อนเหมงอนกัน แล้วก็แบ่งแบ่งลูกศิษย์เนี่ยออกเป็นสามกลุ่มลูกศิษย์ที่มาประชุมกันเพื่อที่จะหาเรื่องแบ่งเป็นสามพวกพวกแรกก็เข้าไปหาอาจารย์ไปถึงกไ็ไหว้ท่านอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเออเธอมาทําอะไรกันเขาก็บอกว่าผมได้ฟังเรื่องหนึ่งในเรือนนี้อาจารย์ถามว่าอะไรพ่อกล่าวว่าพวกเราทราบว่าอาหิงสกะมานบจะประทุษร้ายระหว่างท่านอาจารย์อหิงสกานี่ยคิดไม่ดีกว่าอาจารย์นะกําลัง ทำตัวที่ไม่ดีอยู่เหมงอนนอาจารย์ก็เลยตะค อ, อกไล่ออกมาเฮ้ยออกไปพวกคนถอยเหมาอนกันเจ้ายังมาทําลายลูกของเราในระหว่างเราเสียเลยเหมัอนกันยังมาซอเซียดนะเหมือนกันจากนั้นอีกพวกที่สองก็เข้าไปใหม่อีกแนวเดียวกันนะนะพวกที่สามเข้าไปทํานองอีกเดียวกันแต่พวกที่สามเนี่ยนะก็ก็ฉลาดพูดอีกเพิ่มเสริมขึ้นไปอีกหน่อยใช่ไหมก็บอกว่าน้ําที่มันตกลงในหินใช่ไหมทีละหยดทีระยดเนี่ยก็ยัง อันคนเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละถูกเขากรอกหูเขาไปทีละหน่อยทีละหน่อยจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงเสาหลักก็เหมือนกันนะถ้าเราไปใครเดินไปก็ดันทีงใครเดินไปก็ดันดันดันเดี๋ยวก็โยกหมดแหละไอคนที่สามนี่ฉลาดก็บอกว่าเมื่ออาจารย์ไม่เชื่อพวกพระพเจ้าก็ไข่ครวญรู้เอาเองเถอะเออเดี๋ยวอาจารย์ก็ได้ดีเองเนั่นแหละว่างั้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้พวกนี้ฉลาดหน่อยนะก็บอกว่ายิ่งยิ่งบอกว่าดูแลลูกศิษย์อาจารย์คนนี้ให้ดีเถอะเนี่ยเท่ากับไปบอกให้เขาแตกแยกกันนะ เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เห็นสิทธ์ทั้งหลายกล่าวด้วยความห่วงใยก็เลยตัดสินใจว่าเห็นจะมีความจริงก็เลยคิดจะฆ่ามันดีกว่าขามทิ้งนึกมั้งลูกศิษย์คนนี้ทีนี้ก็มาคี้ต่อไปอีกเออถ้าเราฆ่ามันใครๆที่คิดว่าท่านอาจารย์ที่สาปามกุกยังโทษให้เกิดขึ้นแกมานพู้มาเรียนศิลปะในสำนักของตนแล้วก็ปลงชีวิตเสียเพราะว่าลูกศิษย์ทำชั่วไม่ดีนิดหน่อยก็ข่าทิ้ง ทีนี้ก็จะไม่มาเพื่อเล่าเรียนศิละปะอีกเอ๊ะทำยังไงดีเราก็จะเสื่อมลาบใช่ไหมถ้าไม่มีใครมาเรียนปับ๊บเสื่อมลาบแน่เอออย่าง ก, กันนั้นเลยเราจะบอกมันว่ายังมีคำสำหรับศิละปะวิชาขั้นสุดท้ายอยู่ในกระบวนการเรียนนั้นมีวิชาภาคสุดท้ายอยู่วงก็กล่าวว่าเจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้พันคนในเรื่องนี้เจ้าจะเป็นผู้เดียวลุกขึ้น ค่าเขาให้ได้ครบพันคือถ้าหากว่าค่าไม่ครบพันเนี่ยนะกระบวนการวิชาที่เรียนเนี่ยไม่สําเร็จทีนั้นอาจารย์ก็เลยกล่าวกับหิงสก่าว่ามาเถอะพ่อเจ้าจงค่าคนให้ได้พันคนเมื่อทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นอันการทําอุปจาระแก่ศิลปะการบูชาครูอหิงสกากุมารก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลที่ไม่มีความเบียดเบียนข้าพเจ้าไม่อาจจะทําเช่นนั้น อาจารย์ก็ฉลาดก็ บ, บอกว่าเออศิละปะที่ไม่ได้ค่าบูชาครูก็จะไม่ให้ผลนะพะ่อเออทำแมบบูชาครูไม่เสร็จนะวิชาเนี่ยเสือมมเ่อมเหมือนกันอหิงสกะกูมานั้นก็เลยถืออาวุธห้าประการคือปกติเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายมากนะหิงสกะ ก, กูมานเนี่ยอาจารย์ว่ายังไงก็ทําตามมดทีนี้ไหวอาจารย์แล้วก็ถืออาวุธเข้าไปสู่ดงยืนอยู่ณนะที่คนจะเข้าไปสู่ดงบ้าง อยู่ที่กลางดงบ้างอยู่ที่ที่คนออกจากดงบ้างแล้วก็ฆ่าคนเสียเป็นอันมากทีนี้เวลาฆ่าก็ไม่ถือเอาผ้าหรือผ้าพภกศรีรษะทำเพียงกำหนดว่าหนึ่งสองฆ่าฉับหนึ่งอันหนึ่งแลฆ่าอีกคนหนึ่งสองนับไปเรื่อยๆแม้การนับไอ้ฆ่าไปหลายๆเจ้าเข้าเอะจำไม่ได้ทำไงดี เขาบอกว่าโดยธรรมดาอาหิงสกะกุมา น, นี้เป็นคนมีปัญญาแต่จิตใจไม่ดำรงอยู่ได้เพราะปานาทิบันถ้าก่อความชั่วมากๆฆ่าบ่อยๆเข้าเนี่ยนะเรียกว่าพยาบาทพยาตาทะเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกิเลสสายโทสะมากขึ้นสติปัญญาที่เคยจำดีก็ความจำก็เสื่อมน้อยถอยลงไปทีนี้ก็นับไม่ได้เขาก็เลยตัดนิ้วได้นิ้วหนึ่งหนึ่งก็เก็บไว้ในที่ที่เก็บไว้ เก็บไว้นา น, านเข้าอันิ้วมันก็เนา่าอะเนาะก็หายไปอีกให้ทํำยังไงดีต่อจากนั้นก็เลยร้อยมาทําเป็นพวงมาลายัยนิ้วมือคล้องคอไว้อามาร้อยเป็นพวงมาลัยเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงเลยเปลี่ยนชื่อหมายว่าโจดองค์คุริมาตเก็บนิ้วไม่ได้แช่เย็นไหมันก็เน่าหมดอ่ะเนาะไปซ่อนไว้ตรงไหนถ้าเป็นพวกกระดูกพวกอะไรเดี๋ยวก็สัตว์อื่นๆข่าเอาไปกินอีกมัวแต่ไปเที่ยวข่าเอามาทางนี้หายอีกละก็เคยได้ยินนะเขพวกคนหาปลานะ หาปลาเนี่ย โ, โหเจอแต่ตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะทีนี้ไอ้คล้องที่เอาไปด้วยนี่มันรั่วหาทั้งคืนได้เยอะแ ย, ยะเลยนะ <c oughs> กลับไปถึงบ้านเอาเหลือตัวเดียวย่างงแย่เลยนะ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนการเอาข้าวมาทั้งเยอะแล <c oughs> ้วคิดดูนะถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีกรลยาณมิตรได้อาจารย์แบบนี้เป็นป่าประมิตรป่าประมิตรเป็นมิตรที่บาปชักชวนในการทําปานาติบา <c oughs> เขาเนี่ยฆ่าสัตว์มากมายมหาศาลฆ่าคนมาก ฮันจรองค์คลิมานน้นก็ท่องเที่ยวไปยังป่าทั้งสิน้นจนไม่มีใครสามารถไปเข้าป่าหาฟืนได้ป่าเนี่ยโหไม่มีใครตัดฟืนเลยทีนี้ในตอนกลางคืนก็เข้ามายัางภัยในบ้านคือนานๆเข้าคนไม่มีใครเข้าป่านะทํายังไงคนนอนดึกๆมาถึงก็ถี่ประตูเข้าไปทีนี้ก็ฆ่าคนที่นอนเลยแหละก็กําหนดว่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไป ได้วันเท่าไหร่ก็ได้ก็ค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยทีละทีละนิว้วสองนิว้วสามนิ้วไปตามแต่ราคาได้ทีนี้บ้านก็ร่นถอยไปตั้งอยู่ในนิคมนิคมก็คือตำบเลเน่ยนะพวกหมู่บ้านเล็กๆนี่ก็ถอยมาเข้าสู่ตำบลทีนี้เอ๊นนานๆเข้าบ้านเล็กๆมันหมดเข้าเข้าบ้านใหญ่เลยเข้าตำบลอีกไปถึงก็ทีบ ป, ประตูเลยนะทีนี้ตำบลก็ถอยไปอยู่ในเมือง ทีนี้พวกมนุษย์ทั้งหลายพากันทิ้งบ้านเรือนจูงลูกเดินล้อมพระนครสาวัตถีระยะทางถึงสามโยต์ตั้งค่ายพักประชุมกันที่พรลรานหลวงคลองต่างร้องคล่ำครวนว่าข้าแต่สมมุติเทพในแวนแควนของพระ อ, องค์มีชื่อว่าโจรองคลิมานเป็นต้นอตอนนี้มีโจรเกิดขึ้นแล้วนะโจรองคลิมานเนี่ยเกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยพระรามก็รู้ว่าโจรองคลิมานนั้นน่เป็นลูกของเรา โรหิทเนี่ยก็รู้ว่าเออโจรคนนั้นก็คือลูกของเรานั่นเองก็เลยกล่าวกับ น, นางพรามณีว่าเนี่ยนางผู้เจริญเกิดโจรชื่อองค์คลิมานขึ้นแล้วโจร น, นั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คืออาหิงสกะกุมารลูกของเจ้าบัดนี้พระราชาจักเสด็จออกไปจับเขาเราควรจะทําอย่างไรนางพ ร, รามณีก็พูดว่านายท่านไปเถอะจงไปพาลูกเรามาฟัางกันเดี๋ยวพระราชาไปฆ่าทิ้ง พรามก็พูดว่าเนี่ยนางผู้เจริญฉันไม่กล้าไปเพราะไม่ควรวางใจในคนสี่จำพวกว่างั้นก็คือโจรที่เป็นเพื่อนเก่าของเรามาก็ไม่ควรวางใจมีเพื่อนเป็นโจรน่ะนะโจรมาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็อย่าวางใจเลยนะว่างั้นสองว่างั้นเพื่อนฝูงที่เคยมีสันทวะไมตรีมาก่อนนะของเราก็ไม่ควรวางใจเพื่อนที่หายไปนานๆแล้วเพิ่งมาเจอกันใหม่ๆเนี่ยนะมาเจอกันอีกครั้งก็อย่าเพิ่งวางใจว่างั้น สามพระราชาไม่ควรวางใจว่านับถือเราแล้วก็สี่ก็หญิงไม่ควรวางใจว่านับอยู่ในเครือญาติของเราแต่ว่าหัวใจของคนที่เป็นแม่ก็ก็อดนางพรามณีก็เลยกล่าวว่าเออฉันจะไปพาลูกของฉันมาเองอย่างนี้แหละนะนึกถึงลูกอ่ะนะพ่อไม่ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะไปเองเหมือนันทีนี้ในวันนั้นนั่นแหละถ้าผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกในปัจจุสมัยใกล้รุ่ง ทรงเห็นองคุลีมานก็เลยพ้าดําริว่าเมื่อเราไปจัดเป็นความสวัสดีแก่เธอนะถ้าไม่ไปเนี่ยเสียหายแน่เพราะเธอผู้ที่อยู่ในป่าอันหาบ้านไม่ได้นะถ้าไปแล้วได้ฟังคาถาอันประกอบด้วยบทสี่บทออกบวชในสำนักของเราก็จักกระทาให้แจ้งซึ่งอภิญยาหกถ้าหากว่าพระองค์ไปโปรโดก็จะได้เป็นผ้าอรหนอันอภิญยาหก ถ้าเราไม่ไปเธอจะผิดในมารดาก็คือจะฆ่าแม่เพราะตอนนั้นนี่มันหน้ามืดจะไม่เหลือศพเดียวอะ่ะตอนนั้นนนตได้แล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเาสิบเก้าคนละเ้าสิบเก้าชีวิตละเหลืออยู่คนเดียวท่านั้นใจเนี่ยกระวนกระวายเลยนะอีกคนเดียวเท่านั้นครบพันอีกคนเดียวเท่านั้นครบพันเราจะได้กลับไปบ้านนะไปแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วกลับไปหาพ่อหาแม่แม่มาก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นแม่แล้วนะมันนับอยู่ได้คนเดียวเท่านั้นแหะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าข่าแม่แล้วจะเป็นผู้อันใครๆยกขึ้นไม่ได้เราจะทำความสงเคราะห์แก่เธอดังนี้แล้วเวลาเช้าพระ อ, องค์ก็เข้าไปบินทบาททรงทาพัฒกิจเสร็จแล้วก็ออกจากวิหารไปซึ่งในสูตรมีกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถมินทิกเศรษฐีเขตพนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแลในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสันที่โกศลมีโจรชื่อว่าองค์คลิมานเป็นคนหยาบช้าในฝ่ามือเนี่ยเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเขาบอกว่ากรุณาของโจรคนนี้ไม่มีขนาดว่าผู้หญิงเนี่ยนะพ ร, ร้อมกระรองเลยว่าผู้ที่เป็นแม่บอกจะพึ่งฆ่าฉันเลยลูกอ่อนมีอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยบอกไม่ฟังเสียงอ่ะจะฆ่าอย่างเดียวใช่ไหมจะเอาให้ครบพันอ่ะ อันจิตใจเนี่ยขาดการุณาที่สุดเลยนะก็บอกว่าคนที่มีความคิดที่จะคิดจะฆ่าคนอื่นอย่างเดียวนะเหมือนกับคนไปหาปลาในพรานปลาผู้ไปหาปลาเนี่ยนะเขาไม่มีใจว่าอุ้งสงสารมันนะปลาตัวนี้ยมันปลาแม่ลูกก่อนนะดูสิลูกของมันเป็นพันๆเนี่ยอย่าไปเพิ่งไปฆ่ามันเลยนะไม่หรอกเอาแม่มันเลยตัวโตๆดีถ้าลูกมันเดี๋ยวเอาอะไรมาช้อนเอาไป นั้นถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่ที่จิตใจเป็นไปกับบาปกับอกุศลไม่รู้ว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นอันความการุณาเนี่ยอย่าไปถามหาเลยพันจนองค์ุลิมานั้นกระทาบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทาชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยทรงไว้ ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในปัจ ช, ชามพัฒเสด็จกลับจากบิณฑบาต ท, ทรงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องค์คุริมาโจรซุ่มอยู่ที่จริงก็ไม่ได้ซุ่มหมือนนะก็คือสำนวนน่ะนะก็คือนั่งอยู่เฉยๆในแหละไม่มีใครไปหาอยู่แล้วใครไปหาก็เขาก็เอาชีวิตไปให้อะเนะ พันพวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปัสสุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดำเนินตามทางที่โจรองค์คลิมานซุ่มอยู่คันแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นคือพระองค์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสดงมิมิตแบบพระพุทธเจ้านะพระองค์เนี่ยเก็บรัศมีหมดไม่ให้มีรัศมีเพราะนั้นก็จึงเหมือนภิกษุรูปหนึ่งเท่านั้นเองเดินไป ที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดตัดใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองค์ุลิมานโจร น, นั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ดี ย่อมรวมกันเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ย่อมถึงความพินาศขนาดตายเป็นสิบสิบ น, นะเพราะยังถูกฆ่าอีกเหมือนกันเพราะมือขององค์ุลิมาโจรเมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นิ่งแต่ไม่ได้นิ่งหยุดนะนิ่งเดินต่อไปครั้งที่สองชาวบ้านก็เป็นห่วงโอ๊ยท่านจะเพิ่งตายเลยอย่างนั้นจะไปเอะทั้งนั้นอะ่ะก็ห้ามอีกเหมือนเดิมแม้ครั้งที่สามพระ อ, องค์ก็นิ่งก็เดินไปต่ออ ทีนี้โจรองคุลิมาเนี่ก็คอยดูนะเงียสหยจะมีใครผ่านมาทางนี้บ้างทีนี้โจรองคุลิมาก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดําริว่าน่าอัศจรรย์จริงเนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษสิบคนยี่สิบสามสิบสี่สิบคนก็ดีก็ยังต้องรวมกันเป็นพวกเดินกันทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือของเราเออสมณะผู้นี้ผู้เดียว ไม่มีเพื่อนชชรอยจะมาข่มเรานี่มาคนเดียวนี่แสดงมาจะมากำราบเราหรือเปล่าเนี่ยนั่นถ้ากอะไรเราพึงปรงพระสมณะเสียจากชีวิตเถอะฆ่าทิ้งก็เลยเอย่างั้นครั้งนั้นโจรองค์ุลิมานก็ถือดาบเล่โล่ผูกสอดแร่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเบื้องทางพระปริสดางเดินตามหลังเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิฐทาที่สังขารโดยประการที่โจรองคุลิมานเนี่ย จะวิ่งสุดกำลังก็ไม่อาจจะทันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ดำเนินไปตามปกติองค์ก็เดินธรรมดาไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ทันครั้งนั้นโจรองค์ุลิมานก็ได้มีความคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่งม้ากำลังวิ่งรถกำลังเล่นเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้นะช้างวิ่งยังวิ่งตามไปทันไปฆ่าช้างได้อ่ะคนมีกำลังมากานะ มาวิ่งยังตามไปตัดคอได้โอ้โหแสดงว่าเก่งมากแต่เราวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจจะทำสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกตินะหอบและเหนื่อยนะเขาบอกว่าใช้เวลาวิ่งสามโยศก็ประมาณอ่าสี่สิแปดกิโลเมตรอะ่ะวิ่งไม่หยุดสี่แปดกิโลเมตรเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนะนะตามไม่ทันเลยพระองค์ก็เดินเป็นปกตินั่นแหละแต่เขาเนี่ยวิ่งนะพระองค์ก็ บรรดาล ใ, ให้แผ่นดินมันก็เหมือนกับเป็นคลื่นเป็นเหมือนกับมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันทีนี้ก็หยุดยืนก็กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงหยุดก่อนสมมณะจงหยุดก่อนส ม, มณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วองค์ุรีมานท่านเล่าจงหยุดเถิดครั้งนั้นโจนองค์ุรีมานก็เลยดําริว่าส ม, มณะสักยบุตรเหล่านั้น มักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองค์ลีมานท่านเล่าจงหยุดเดถิดท่ากะไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดถามดูเอ๊ยก็เดินอยู่บอกว่าหยุดไอเราเนี่หยุดบอกว่าเดินเอาอยัางไงกันแน่เมื่อไงครั้งนั้นจนองคลีมานก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถามีความว่าดูก่อนสมณะท่านกําลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุด ยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะธข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดเนี่ยเป็นอย่างไรเออฉลาดกันนะถามตัวเอ๊ที่หยุดหยุดแปลว่าอะไรหยุดแต่ก็ยังเดินเนี่ยนะไอเรานี่ไม่เดินบอกว่าเราเราเนี่ยไม่หยุดเอาไงกันแน่องค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนองคคริมานเราวางอาทยานในสรัรพพะสัพได้แล้ว จึงชื่อว่าเราหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วแต่ว่าท่านยังไม่หยุดใช่ไหมเพราะท่านยังไม่หยุดในการเข็นการฆ่าเป็นต้นซึ่งท่านมีอธิบายว่าบทว่านิทายะความว่าแม้อาจยาใดอันบุคคลพึงให้เป็นไปในสัตว์ทั้งหลายเพื่อเบียดเบียน เราวางอาจยานั้นคือนําออกเสียด้วยการพิจารณาด้วยเมตตาอาศัยเมตตาพระองค์ก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อาศัยขันติและก็ความประพฤติในสารานิยธรรมทั้งหลายด้วยสารานิยธรรมก็คือธรรมที่เป็นธรรมะที่ให้ระลึกถึงกันก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและลับหลังมีเมตตาวาจีกรรมทั้งต่อหน้าและ รับหลังมีเมตตามโมนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสารานิยธรรมมีอวิหิงสาประกอบด้วยใจที่กรุณาหวังดีปรารถนาดีอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายท่านอธิบายต่อไปว่าคำว่าตุวมัททิโตสิความว่าเมื่อท่านฆ่าสัตว์มีประมาณพันหนึ่งนี้เพราะไม่มีความสารวมในสัตว์มีปานะทั้งหลาย เมตตาก็ดีขันติก็ดีปฏิสังขาก็ดีอวิหิงสาก็ดีสารานิยธรรมก็ดีของท่านจึงไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่ายังไม่หยุดมีคมําอธิบายว่าถึงแม้ท่านหยุดแล้วด้วยอิริยาบถในขณะนี้ท่านก็จะเล่นไปในนรกมันหยุดแต่อิริยาบถใช่ไหมยหยุดแต่จิตแต่ชรูปอะ่ะแต่จิตขณะนั้นไม่หยุดใช่ไหมเพราะจิตเป็นไปกับ โทสะเป็นต้นนะคิดแต่จะแข่งคิดแต่จะฆ่าเพราะฉะฉนั้นเจตนากรรมนั้นเนี่ยจะซัดให้เล่นไปในนรกคือจะเล่นไปในกําเนิดเดรัจฉานในเปรตวิสัยหรือในอสุรกายที่ไม่หยุดเนี่ยเป็นลักษณะนั้นลำดับนั้นโจรองค์คริมารก็เลยคิดว่าการบรรลือสีหานาสนี้ใหญ่การบรรลืออันใหญ่นี้จะเป็นของผู้อื่นไปไม่ได้การบรรลือนี้ต้องเป็นพระสมณะเจ้าผู้นามว่าสิท ธ, ธัตถะ ผู้เป็นโอรสของพนางมหามายาเห็นจะเป็นผู้อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุขค่มกล้าทรงเห็นแล้วหนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเพื่อทําการสงเคราะห์แก่เราโอแสดงว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้ววงั้นพระมาโปรดแล้วอ่ะอันโจรองคุลิมานก็เลยทูลว่าดูก่อนสมนะัมมณะท่านอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงแล้ว พระ อ, องค์เนี่ยมาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นการแลนานาะโอ้นาแล้วเพิ่งไปเห็นอย่างนั้นเพิ่งพระมาโปรดอยงนั้นข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมะของท่านโจนองคคริมานกล่าวดังนี้แล้วก็ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันโจนองค์คริมานก็ได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคต แล้วได้ทูลขอบันประชากับพระสุคตณที่นั้นก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะของโจรองคุลิมานในขณะนั้นบอกว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเหมือนกันเรียบร้อยเลยบวชและ ซึ่งอธิบายว่าพระองค์ก็ทรงตรวจตราดูกรรมก่อนตรวจตราดูกรรมก็เห็นแล้วก็ทราบว่าองค์ุลิมาณนนี้นั้นได้เคยถวายพันดะคือบริขารแปดแก่ท่านผู้มีศีลในปางก่อนไอบุญนี้ก็ทำไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านพระองค์จึงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาตัดว่าเอหิพิกุสวาขาโตธรรมโมจระธรรมะจริยสัมมาทุกขสสะ อันตกิรยยะแปลว่าเธอจงเป็นพิ่สูมาเถิดธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกโดยชอบเธิดอันพระองค์เนี่ยไปตรัสในลักษณะว่าอา้าวเป็นพิ่สูมาเถิดก็คือพี่สูหมายคำว่าผู้ขอถ้าโดยพระวินัยกรรมก็คือผู้ที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นเองอันธรรมะของพระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้ว คำสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยคำสอนอะไรคำสอนว่าด้วยอะไรที่พงคตรัสไว้ดีแล้วเรื่องอริยสัจนะถ้าบอกว่าอริยสัจเออแล้วพระวินัยนี่เป็นอริยสัจข้อไหนศีลเนี่ยเป็นมรข์ไหมเป็นไหมเป็นมรข้อไหนนะเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะเบื้องต้นเป็นวีรตีเป็นอะไรไปก่อนใช่ไหมที่สุดก็มีศีลเนี่ยก็มีพนิพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้น แม้แต่วินัยปิดกก็ยังสงเคราะห์ลงในอริยสัพนั่นแหละอยู่ในมรรคสัพนั่นแหละอันภาษาริบุตรจึงกล่าวว่ากุศลธรรมทุกชนิดประชุมลงที่อริยสัพเหมือนกับรอยเท้าของสัพทุกชนิดประชุมลงที่รอยเท้าช้างอันพระองค์ก็บอกว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเธอพรหมจรรย์เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปด ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์อันนี้เป็นไปเพื่อสิ้นสิ้นทุกไหนเพื่อให้หมดทุกไหนทุกในอดีตหรือในอนาคตหรือในปัจจุบันอ้าวถ้าหากว่าทุกในอดีตอ้าวมันก็ผ่านไปแล้วทํำมาทําไมทุกในอนาคตยังไม่ถึงจะทํำไปทําไมทุกในปัจจุบันจะมาแก้ตรงไหนเออแล้วทุกไหนก็คือทุกที่จะเกิดด้วยอํานาจของกิเลส กิเลสที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุให้ได้ปฏิสนธิในการมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิก็ปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสเหล่านั้นอ่ะซึ่งเป็นเหตุปฏิสนธิในพบที่ยังละไม่ได้ไอ้พบที่ว่าเนี่อยู่ตรงไหนมันจึงไม่ต้องคิดต่อไปมันจะต้องศึกษาเรื่องอริยสัจแต่ถ้าคิดเลยไปข้างหน้าอีกนะบางทีเนะี่ยถ้าจิตไม่เย็บคายจะเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิหรือสัสตตติฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งแนะ่ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีนะจะเป็นอุดเฉททิฐิหรือเป็นสัตสตทิฐิง่ายมากงั้นก็ปฏิบัติเพื่อให้มันศูนย์สินี้เราก็จะคิดไปเอ๊ะพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์พเพราะว่าผู้ใดกล่าวว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เนี่ยนะเป็นมิจฉาทิธิด้วยนะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของคนพูดมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเพะนั้นก่อนที่จะกล่าวในเรื่องนั้นผู้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องอริยสัจอย่างดี อันพระโจรองคุริมานั้นก็ได้บวชสมความประสงค์ไงไหมบาทและจีวร อ, อันเป็นริษกก็สำรดจขึ้นพร้อมด้วยพระดำรัตนั่นเทียวบอกว่าจงเป็นที่สูมาเถิดนะเป็นที่สูเลยก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหมีดโกนที่ไหนมาปลงแล้วแล้วก็จะมีบริขารแปดเกิดขึ้นพร้อมสมบูรณ์ในขณะนั้นเทศครหัตของท่านอันตฐานไปสมณเพศปรากฏแล้วท่านมีบริขารแปดคือบริขารแปดนะไตรจีวร ถนะ้าสามผืนก็คือสบงสังคติและเครืปจีวรนี่เครกลายจีวรและบาทมีดเข็มประคดเอวรวมเป็นแปดกับผ้ากรองน้ำนะสมควรแก่พิสุผู้ประกอบความเพียรแลว้วท่านก็ได้บวชสมความปาธ <บ caminho S 2> นาเขาบอกว่ากรรมอะไรที่ทำให้ได้ไ ด, ได้บริฐารแปดหรือได้บวชเป็นเอหิพิคุอุปสัมปทา เพราะฉะนั้นในดีกาพระวินัยนะในในภาคสี่ในในภาคสี่หน้าเก้าสิบสองฉบับแปลท่านท่านอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นที่สูงมาเถิดดังนี้ความว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยแห่งบาทและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิของยักษกุระบุตรนั้นคือข้อความอันนี้ขยายเครื่องพยสะอยู่ ทรงเห็นการถวายอัฐบริขารมีจีวรเป็นต้นในชาติเป็นอเนกก็คือได้ถวายจีวรเนี่ยมาหลายชาติแล้วละจึงได้ตรัสว่าจงเป็นพิสุมาเถิดท่านใดนั้นเองยศะะกุลบุตรนั้นก็มีผมอันปลงแล้วและครองผ้ากาสาวพัดมีบริขารแของพิสุแปดอย่างสงบอยู่ในร่างกายทีเดียวเหมือนราวกับพระเทระร้อยพรษานั่งถวายนมันสการพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็บุคคลใดถวายอัฐบริขารมีจีวรเป็นต้นมีบาดจีวร อ, อย่างเดียวแกพระอริยะมีพระโสดาบันเป็นต้นหรือแก่ปุตุชนนั่นเองพูดถึงพร้อมด้วยศีลแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่ากขบอกว่าถวายแก่พระอริยหรือผู้มีศีลน่ะ น, นะตั้งความปรารถนาว่าขอการถวายบริขารนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความเป็นเอหิพิขุในอนาคตเถิด เมื่อความถึงพร้อมแห่งบุญญาที่การมีอยู่ตามความปรารถนานั้นพึงทราบว่าย่อมเป็นไปเพื่อ ก, การได้บริขารอันสําเร็จด้วยฤทธิ์เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายแก่บุคคล น, นั้นอพระพาหิยะเนี่ยนะพระพาหิยะเนี่ยขณะเป็นผ้าอรหันแล้วขอบวชกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกพระองค์จ่าไม่บวชให้แก่คนที่ไม่มีบาตรและจีวรเพราะว่าพระพาหิยะนั้นไม่ได้ทําบุญประเภทนี้เอาไว้ไม่เคยถวายผ้าไว้ ไม่เคยทำบุญประเภทไตรจีวรเอาไว้ท่านก็เลยไม่ได้บวชโดยเอหิพิขุอุปสมปทาข้อความในเรื่องของนางวิสาขาในเล่มสี่ส็ดนะท้ารรมบทในหน้าแปดสิบหกกล่าวว่าจีวรทานของหญิงทั้งหลายย่อมถึงที่สุดด้วยเครื่องประดับชื่อว่ามหาระดาปัสสาธนะถ้าหากว่าผู้หญิงถวายผ้าเนี่ยนะถ้าไม่ได้บวชข้ากับผู้หญิงบอเอ๊ถ้ายมไม่ได้บวชแลวถวายผ้าจะได้รดิสงยังไงเหมือนกัน เขาบอกว่าผู้ที่ถวายผ้าอันนี้สงสูงสุดก็คือจะได้มหารดาประสาธนะมีราคาประมาณเก้าเก้าโกดเก้าสิบล้านคนนั้นจะต้องมีกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกอะจริงจะใส่ได้นางวิสาขาเนี่ยมีกําลังมากนะนนางวิสาขาเนี่ยมีเครื่องประดับเพชรสีธนานอะคิดดูในเครื่องประดับอันนั้นอนะเพชรสีธนานเขาบอกว่าจีวรทานของบุรุษทั้งหลายย่อมถึงที่สุดด้วยบาศ และจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์งั้นใครอยากรู้ว่าเออเรื่องคนที่มีเครื่องประดับมหาลดาภาษาคณะนั้นก็คือไปดูในเรื่องนางวิสาขานะในเล่ม41ทีนี้กล่าวต่อไปถึงเรื่องของพระองค์คุลิมานต่อว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระองค์คุลิมานเป็นพระปัจชาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครสาวัตถีแล้ว มีพระองค์ครมานเดินตามต้อยต้ย ต, ยต้อยนะไม่ถือดาบแล้วถือบาทแทนแปลกนะชูพทิบตาเดียวนะจากถือดาบเนี่ยมาเป็นถือถือบาทเนี่ยเก่งมากนะเพราะองค์เนี่ยฝึกชั้นหนึ่งเลยเนาะเราอยู่ที่ไหนนะพระองค์มองไม่เห็นเราเรงงหรือไงเมือตอนนั้นนะ่ะเนาะได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเช ต, ตวันอารามของท่านอนาถามินทิกะเศรษฐีเขตนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นหมู่มหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังเกิดการประท้วงใหญ่หน้าวังพระเจ้าประตลิโกศลว่าส่งเสียงอื้ออืงว่าฆ่าแต่สมมุติเทศในแว่นแควนของพระองค์มีโจรชื่อว่าองค์คุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีความือเปื้อนเลือดตักใจในการฆ่าการตีไม่มีความการุณาในศาสตร์งหลายโจรองค์ุลิมานนั้นน่ะกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองเหมอนกัน เขาเข็นข้าพวกมนุษย์เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพงจงกำจัดมันเสียเถิดเหมือนกันอะขอกําลังทหารไปทู่รบเหมือนกันเอาไปประท่วงใหญ่เลยครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณห้าร้อยกองทัพม้านะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทหารมา้าสมัยนี้ก็มีนะทหารมา้าทหารม้าสมัยนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมทหารรถถังอะ่ะม้าสมัยใหม่ม้าเหล็กก็คือ รถถังนั่นเองสมมติว่าค่ายไหนมีรถถังนะเขาเรียกว่าทหารม้าม้าเหล็กอะแต่ก็ม้าจริงๆก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นม้าเหล็กทั้งนั้นเลยอย่างอ่าที่ที่ปักจีญนะ่ะที่ปักจีนเนี่เขาเขามีนิมยมกองพันธหนึ่งกองพันธุ์ทหารม้าก็บอกเขาก็รับไปไหนม้าอยู่ที่ไหนก็บอกพวกนั้นแหละท่านรถถังนั่นแหะเลี้ยงรถถังเลยเลี้ยงมาไม่ต้องหาญยาล้ะทีนี้ก็จัด กระบวนการสมัยนี้ว่าเอารถถังไปเลยห้าร้อยคันน่ะนะนี่ก็เป็นทหารมา้าทีนี้พระเจ้าประเซนที่โกศล น, นี่ก็จะเอาอยัางไงดีว่าจะไม่ไปเดี๋ยวเพราะว่าพระราชาไม่รับผิด ช, ชอบอจะไปเดี๋ยวถูกฆ่าเออเอ า, อางไงดีแวะไปวัดท่นหน่อยเดี๋ยวไปฟังนี่พระพุทธเจ้าจะว่ายังไงถ้าหากว่าไปแล้วเราชนะพระพุทธเจ้าก็คงให้เราไปอ่ะพระองค์ก็ไม่ตัดอะไรแสดงว่าเราได้ดีแน่นอนแต่ถ้าหากว่าไปแล้วแพ้เนี่ยพระองค์คงไม่รักษาเราเฉพาะาชาติหน้ามัอง คงช่วยสงฆ์เราในชาตนี้ด้วยเข้าไปวัดซะก่อนเหงั้นก็เลยเข้าไปยังอารามทีเดียวเสด็จไปด้วยพยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้ก็เสด็จลงจากพระราชยานทรงดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้องหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าประเส้นที่โกศลผู้ประทับนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วว่าดูก่อนมหาบพิษพระเจ้าแผ่นดินมหามคตจอมเสนาท่านามว่าพิมพ์สรริสารทรงกระทาให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอหรือว่าเจ้าลิชชวีเมืองเวสาลีหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เราอื่นโอ้ย โ, โกรธใครนะ่าจะยกเนึกว่าพระราชาเมืองอื่นยกทับมาหรือไงหรือว่าไปทะเลาะ ก, กับพระราชาเมืองไหนมาอย่งนั้น เอากองทัพมาได้ใหญ่โตเลยอะพระเจ้าประเซนที่โกศนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพ์พิสารมิได้ทรงกระทําให้หม่อมชั้นขัดเครืองแม้เจ้าฤาวีเมืองเวสาลีก็มิได้ทรงทําให้หม่อมชั้นขัดเครืองแม่พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เราอื่นก็มิได้ทําให้หม่อมชั้นขัดเครืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแว่นแคลนของหม่อมฉั้นมีโจรชื่อว่าองค์ุลิมาน ถ้าคนเดียวอนะโจนคนเดียวเนี่ยยกกองทัพมาเลยนะเป็นคนหยาดช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดตักใจในการฆ่าการตีไม่มีความกรุณาในศัตร์ทั้งหลายกองคุริมาโจนนั้นกระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทํานิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทาชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอามือร้อยเป็นพวงหมอมชั้นเนี่ยจักกจาจัดมันเสียองตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษ พึงทอดทันเนศองค์คุลิมานผู้ปลงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปะชิตเวน้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เวน้นจากการพูดเท็จฉันท ต, ตาหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรมีศีลมีกัลยาณธรรมมหาบพิษจะพึงทําอย่างไรกับเขาถ้าเขามาบวชมีศีลมีธรรมเนี่ยพระองค์จะทํำยังไงพระเจ้าประเสรที่โกศลก็บอกข่าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันก็พึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื่อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรงเขาด้วยจีวรบินธบาเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมู้ถ้าเป็นถ้าจะอุปถาทุกอย่างเลยแหละว่างั้นข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญแต่โจรองค์ุลิมานนั้นเป็นคนทู่ศีลมีบาปประธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปา น, นั้นแต่ที่ไหนว่างั้นเป็นไปไม่ได้แร้วว่างั้นสมัยนั้นนี้ท่านพระ อ, องค์ุลิมานก็นั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาชี้ตรัสบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศนวัดดูก่อนมหาบพิษนั่นองค์คุลีมานลาดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ก็มีความหวาดกลัวหวาดวันโลมาชาติชูชันเนี่ขนในลุกสู้สู้ช่ไหมนะกยเบอกว่าทหารที่มาด้วยนี่เพ่นปาราบหมดแล้วพอได้ยินนั่นองคุลิมานโอ้โหส้งสายรั่วเราจะไปฆ่าว่าเตรียมมาสู้แล้วบอกทหารเนี่ยหนีเลยนะอะไรก็ฐาท่านอธิบายอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระจพเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยทรงกลัวหวาดวันมีพะละมรชาติชูชันแล้วก็ได้ตรัสกับพระจพเจ้าประเสนที่โกศลว่าอย่า ก, กลัวเลยมหาภพิธอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธภัยแต่โจรอ ง, องค์ุลิมานี้ไม่มีแก่มหาปพิครังนั้นพระจพเจ้าปรเสนที่โกศลทรงระงับความกลัวความหวาดวันหรือลมมชาติชูชันแล้วได้เข้าไปหาท่านพระองค์ุลิมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองค์ุลิมานว่าท่านผู้เจริญ ถ้าองค์คลิมานผู้เป็นเจ้าของเราเหมงอนกันโอ้สั ด, ดุงหน่อยๆเหมือนกันนะ <_ P. S 1> ถ้าองค์คลิ ม, มานก็ถวายพระพรอย่างนั้นมหาบาพิษพระเจ้าเสรตที่โ Brooks กศลก็เล่าว่าบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรดูก่อนมหาบาพิษบิดาชื่อว่าคัคคะมารดาชื่อว่ามันตานีพระเจ้าเสรตที่โกศลก็เล่าว่าท่านผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าคัคคามันตานีบุตร จงอภิรมธ์เธอข้าพเจ้าจากทําการโควนควายเพื่อจีวอนบินธบาศเสนาสนาคิลานะปัจัยเพศัตวบริขารแก่พระผู้เป็นเจ้าข้าพมนตาณีบุตรเออเดี๋ยวจะเป็นอุปทาให้ก็แล้วกันเหมือนกันร็จแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยก็มีผ้าผ้ามาด้วยคนอินเดียจะมีเป็นผ้าใช่ไหมก็ถอดผ้าถวายพื้นหนึ่งเลยสมัยนั้นถ้าองค์คลิมานเนี่ยถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินธบาศเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัด ท่านเนี่ยเป็นพระที่ส ม, มาทานทุดมครั้งนั้นท่านพระองค์โคลิมานก็ได้ถวายพระพรพระเจ้าประสเส้นที่กศลว่าอยาเลยมหาภพิตรายจีวรของอาตมาภาพบริบูรณ์แล้วทีนี้ครั้งนั้นพระเจ้าประเส้นที่โกศลก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมา ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานทรมานก็คือฝึกนั่นเองฝึกได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานหรือฝึกไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอาจยาแม้ด้วยสาธาขนาดใช้กฎหมายก็ไม่สามารถที่จะฝึกเขาได้ใช้อาวุธก็ไม่สามารถที่จะฝึกเขาได้ ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคย้าทรงทรมานได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สาตราฆ่าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมชั้นทูลขอลาไปในบัดนี้อันธ า, านนี้ในยังพันเตะเหมือนกันอาปุชามะพระภูเก จ, จามายังพระภูการณียาเหมงอนกันแต่ท่านผู้จเจริญหม่อมชั้นมีกิจมากมีการณียะมากเหมือนกันพระภูเกิ จ, จาก็งานมากกิจมากการณียะมากว่างอนกัน เพราะฉะนั้นก็ทูลขอลาแล้วนะหลังนั้นอาปุชามา ก, ก็คือบอกลาแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาบพิตรจงทราบการอันควรณบัดนี้เถิดลําดับนั้นพระเจ้าประสเนสนทโกศลลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จีไปท่านจะ บ, บรรลุเป็นพระราหาหนึกเปล่านะได้อแล้วเนาะแต่ว่าจะ บ, บรรลุได้อย่างไรนะว่ากรรมที่ท่านทําและจะให้ผลอย่างไรบ้างก็คงเป็นวันตต่อไป ทีนี้ต่อไปนะว่าอันพระโจรองค์คลิมานั้นทําโทสะไม่เกิดเนี่ยฆ่าไม่ลงหรอกคือจิตเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยโลภเต็มโทสะโทสะนี่มากอาศัยโลภานั่นแหละอยากจะจบวิชาใช่ไหมโลภานั้นเป็นเหตุแล้วก็ทําให้เกิดโทสะเค้นฆ่าไม่ได้ฆ่าด้วยความแค้นอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะจบวิชานะถ้าฆ่าครบพันก็จะได้จบจะได้กลับไปบ้านเมืองทัทีหนึ่งคิดถึงแม่และพันด้วยอํานาจของการคบตาประมิตร แต่ว่าถึงจะฆ่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามก็คือตานาธิบาตก็คืออาคุศลเจตนาอากุศลเจตนานั้นมีโทสะเป็นเป็นเหตุปัใจจัยให้ขาดความเมตตาขาดความกรุณาก็ถึงกับการเข็นฆ่าแต่ว่าอย่าคิดว่ากรรมเหล่านี้จะไม่ให้ผลท่านนะเนียวันหลังขณะไปบินทบาทเนี่ยจีวรยังขาด้วย อ, ะอ่ะอ่าบาปเนี่ยบาปแน่ละแต่ก็ไม่กล่าวถึงเพราะว่า ไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ไม่บาปเพราะว่าหนึ่งนะผู้ที่ชักชวนในการฆ่าก็บาปอยู่แล้วร่วงอาุสลด้วยนะสมมุติถ้าใช้ให้คนไปฆ่าแล้วเขาฆ่าตายหนึ่งคนเราจะต้องบาปด้วยหนึ่งครั้งนี่ใช้ให้ฆ่าหนึ่งพันนะเขาฆ่าได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าศพนั้นเรามีส่วนบาปทุกคนที่เขาฆ่าถือว่ามีส่วนหมดเลยจะพูดเวงในหนึ่งนะก็เป็นโทษของของการคบมิตรชั่วมันก็เป็นอย่างนี้แนละ้วถามว่าทําไมจึงได้คบมิตรชั่ว ปัจจัยแห่งการคบป่าประมิตรก็คือเพราะอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรทำไมจึงอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรเพราะเพราะไม่มีปุเพกตะปุญญาตาก็คือทาบาปไว้ในปางก่อนทำไมเขาจึงทาบาปไว้ในปางก่อนเพราะเขาขาดอัตตะสัมมาปณิทิขาดการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมในชาติก่อนๆ น, นั้นมาอันก็เป็นปัจจัยให้เขา ทำชั่วทำชั่วก็เกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดพอเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดก็ได้ครบมิตรชั่วนี่แหละมันเป็นโทษของสังสารวัฏอย่างหนึ่งขนาดเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะก็ยังไม่ไม่แคล้วที่จะต้องได้ครบคนชั่วแล้วก็ต้องทําบาปทั้งๆที่บางคนก็ไม่อยากทํานะบางคนเนี่ยฆ่าไม่ลงบางคนเนี่ยฆ่าตักไม่ได้เลยนะแต่ก็ต้องถูกเขาเขาสั่งให้ฆ่าไม่ฆ่าก็ต้องไปฆ่าออย่างอย่างเช่นมีมีเด็กคนหนึ่งนะ ไม่ไม่ไม่อยากฆ่าสัตว์บอกไม่ฆ่าหรอกแต่ว่าคนที่เป็นญาติเนี่ยบอเป็นคนทําไมไม่ฆ่าแค่ฆ่าหรอกสั่งมาเลยอ่ะดูถูกเหยียดย้ำว่ต้องไปฆ่าฉันคนที่เป็นลักษณะนี้ค่อนข้างมากแล้วชีวิตในในชนบทเนี่ยจะจะเป็นลักษณะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ฆ่าเขาก็ไม่ได้กินอ่ะเมื่อเขาไม่ฆ่าเขาไม่ได้กินปั๊บเนี่ยนะถ้าสมมุติจะไปสอนเรื่องไม่ฆ่าสัตว์นะเขาก็จะเอาเหตุผลว่าเข า, เขาจะกินอะไร ซึ่งสติปัญญาเขาก็มีแค่นั้นหนึ่งเขาตั้งจิตไว้ผิดด้วยและเขาไม่ได้คบกัลยาณมิตรด้วยเขาไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นโทษที่ที่เขาจะต้องสะสมต่อไปทีนี้มันเป็นโทษที่ที่เกิดจากความไม่รู้เป็นโทษของอวิชช์ทีนี้พอกรมเหล่านั้นที่เขาทําไปแล้วเขาก็ต้องไปเกิดในที่ที่ไม่ควรจะไปทําให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้อะไรทําให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้นึกออกไหม อวิชานะทําให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้นั่นแหละคืออัตถะของอวิชชาอันเราก็ควรสังเวชใจนะถ้าเรายังไม่รู้อริยสัจเราก็ต้องเป็นลักษณะนั้นไปอีกนานแล้วนานที่ว่านี่อีกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะทําที่สุดแห่งกองทุกได้แต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อเป็นไปเพื่อสิ้นทุกนะเราก็จะ เรียกว่าปล่อยใจไปสบายๆ ย, ยังไม่รีบนิพานหรอกเงี้ยปล่อยใจไปสบายๆถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าองค์หน้ามาอีกนะเราก็บอกก็ยังไม่รีบนิพานองต่อไปอีกก็ยังไม่รีบนั่นแหละก็ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนโยมท่านหนึ่งโอ้คุยบางทีดูเหมือนกับไฟไหม้บนทิศะก็คุยไปอีกครั้งหนึ่งก็บอกแกก็ไม่ได้รีบนิพานอะไรก็ว่างั้นเรานี่เงียบเลยอะคือเห็นแล้ว ก็เหมือนกับว่าต่าไม่มีโทษแล้วบางคนเนี่ยนะเป้าหมายเพื่อที่จะรู้แจ้งคําสอนเนี่ยแทบไม่เคยตั้งไว้เลยในความคิดนั้นๆถ้าหากว่าคนที่ตั้งจิตไม่ได้ตั้งใจเพื่อรู้คําสอนนะเขาเขา้าหน้าหน้าเสียดายมากถึงพระผู้มีพระภาคองค์ต่อต่อไปมาตรัสรู้ก็อย่าคิดว่าเขาจะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะเขาไม่ได้ตั้งจิตไว้อ่าทำไมพระอริยาสาวกสมัยก่อนจึงได้บรรลุธรรม อาณาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้แสนกับนางวิสาขาก็ตั้งความปรารถนาไว้แสนกับพระอานนท์ตั้งความปรารถนาไว้แสนกับพระสารีบุตรหนึ่งอสงไขยเศษอีกแสนกับห้างห้าอะนะแสนกับพระผู้มีพระภาคเศอสงไขยเศษอีกแสนกับอันคนเหล่านั้นเขาได้ตั้งความปรารถนาเขาได้มีใจมั่งที่จะรู้อริยสัจไว้แลว้ว แต่ถ้าหากว่าผู้ใดที่ไม่ได้มีเป้าหมายศึกษาพระธรรมคําคสอนเพื่อรู้อริยสัจเนี่นะก็ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะจบที่ไหนก็ไม่รู้ก็ศึกษาให้เป็นกุศลไปวันๆนกุศลเกิดดีแต่ถ้าหากว่ากุศลที่ตั้งจิตไว้ผิดนะก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อเพื่อสิ้นวัตตาอะไรอั้นกุศลจึงมีสองลักษณะด้วยกันคือวัตตาคามินีกับวิวัตตาคามินีอกุศลที่เป็นไปเพื่อวัตตากับกุศลที่เป็นไปเพื่อวิวัตตะ กุศลใดที่ตั้งเป้าหมายเพื่อรู้อริยสัจกุศลนั้นเป็นกุศลประเภทวิวัตตแต่ถ้ากุศลใดตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่อรูปสวยๆเกิดมาจะได้รูปงามกว่า น, นี้อีกหน่อยใช่ไหมเสียงจะได้เพราะๆกลิ่นจะได้ดีๆพวกนี้เรียกว่ากุศลประเภทวัตตะอันเราควรตั้งกุศลประเภทวิวัตตเอาไว้วันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ขอให้มีอัตตาสมาปณิธิไว้เป็นเบื้องตน้น เบนเข็มทิศไว้ให้ถูกก่อนถ้าเบนเข็มทิศไว้ถูกแล้วนะถึงเราเดินแค่เก้าเดียวก็ถือว่าไปแล้วนะแต่ถ้าเบนเข็มทิศไว้ผิดนะขยันมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะถึงเป้าหมายใช่ไหมเมื่อว่าจะออกที่ไหนเมื่อวานนะสมมติว่าจะไปกรุงเทพดันออกไปทางเชียงรายเนี่ยถึงไหมแต่เชียงรายไปออกเมืองจีนจะออกไหนอีกเนอะนุถึงหรือเปล่าเมื่อกุงเทพอ่ะถึงมีน้ํามันมากก็ถึงรถดี มีน้ำมันมากก็ไม่แน่ว่าจะถึงกรุงเทพใช่ไหมถ้าป่วนเปลี่ยนไปแถบชายแดนเขายึดรถเลยเลยอดเลยครันน้งนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ถูกนั้นควรตั้งเอาไว้อัตตาสมาปณิทิวันนี้คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายรักษาตัวให้ปลอดจากบาปรักษาใจให้เป็นกุศล